เมื่อเช้าไม่อยู่กันไปกันหมดพ้ะคนต่องทำหน้าที่อืมอืมผู้เดินเหรอก็ไปทำหน้าที่เขาอุโสถสามาัคีพระต้องสามัคคีกันตรงนี้ ตอนนี้พระกำลังโดนสามชีบาถาท่านไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นไปได้สุดท้ายทำนี่ในที่มีอยู่ที่พูญเจ้าวางหลักเกณ น, นเนะไว้ไม่มีใครออกมาใช้กลับไปก็เอากฎระเบียบกติกา คนไม่มี่คนมาคุยกันแล้วก็นำประสกบการณ์บังคับใช้หลายวัดได้รับจดหมายจากทางการเพื่อขอข้อมูลของวัดโดยพรวเคื่อข้อมูลประวัติเจ้าวาตประวัติพระพราชีเงินผา อ้ทีอยังการนาบัญชีส่วนตัวรูปก็คือบาตไประจตัวเระชนไม่รู้เขาเรียนคกฎหมายอะไรไม่ทราบกันกันเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคนหมายมันเป็นแพ่งเป็นพานิชหรือเป็นอาญาต้องถามนักกฎหมายถ้าทำกับพระได้สมมติว่าชาวบ้าน อยากรู้ว่าบ้านคนนี้เลขที่เท่า น, นี้เชื่ออะไรมีบัญชีเงินฝากเท่าไหร่เงินไหลเข้าและออกเท่าไหร่ขอว่าตำรวจทำได้ไหมให้ทำงมนกับพระทำได้พระเป็นตัวอะไรพระเป็นตัวกินไก่ไหอืม แต่เมื่อเช้าก็กินไก่จริงๆด้วยเมื่อเช้าก็เลยไม่ใจเอาตักกะอะไรก็ม่รู้มันเริ่มมีแล้วนะนี่มีนเ่อนเยังไม่ถึงวัดเราอนะี่อุกเขาจะเอาวัดที่เป้าหมายแต่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นจุดหมายจริงหรือเป็นจุดหมายปลอมมันเป็นไปได้หมด ถ้าเป็นกฎหมายจริงตามระบบสาร บ, บัญหน้ากระดาษหัวกระดาษมันต้มีที่มาระบุหน่วยงานอะไรศาลออกการจังหวัดตำรวจอะไรมันต้องมีตราบบอหน่วยงานราชาการเราต้องบอกเหตุและผลด้วย อะไรที่ทำให้คนสงสัยและอำนาจหน้าที่อขอบพายที่มีอยู่เนี่ยสามารถทำได้ไหมนเมื่อไม่มีอะไรสักอย่างว่าบ่งบอกว่าท่านผิดถ้าจะค้นบ้านข่าวก็ต้องมีหมายมีไหมมีต้นเรื่องไหม ไปถามที่นี่สมเวัดสันติธรรมถามว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นหรือยังเวลาเราไปแจ้งความกับตำรวจอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ขับรถเรามะควรปราสาทบันทีเกดปื้นบนบนบนบนเนี่ยหมุนไปหมุนมาไปชนคนไม่ชนคนไปแจ้งความบาลงทึกจําวันตํำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เกิดความเสียหาย นี่คือกฎหมายต่อให้บาดเจ็บก่อนห ร, อรหรือมรณภาพก่อนอะเสียหายล้วแต่นี้ที่คุณจะมาดูแลพระหรือถามนัานถามนี้พระนี่ถามว่าใครเป็นผู้เสียหายมีเจ้าทุกไหมที่คนกล่าวคาเขาเน่ะเขามีเจ้าทุกไหมสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ เลยไม่เข้าใจตักาอะไรกันรู้ตอนนี้ปั่นป่ว น, นทั่วประเทศหมดแก้นบางคนก็บางหลายรูปตั้งกลมตั้งตทธาจะลาออกแล้วอันนี้กิมมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่โชคดีว่าเรายังยังมาไม่ถึงวั น, นไม่มีอะไรอะ่ะคุณตถ้าอยากจะรู้ข้อมูลของพวกนีน้สำนักพุธ เขามีข้อมูลพระอยู่แล้วประวัติเจา้า ว, ว่าพระแต่ละวก็มีทั่วประเทศอยู่แล้วบัญชีนิยมพันธ์ของพระต้องแจ้งสารพุทธสารพุทธเขารู้อยู่แล้วทีพระทั่วประเทศเขาผ่านสารพุทธเขาต้องจ่ายบานสารพุทธธนาคารถ้าอยากรู้ไม่ใช่เรื่องเดีตอนนี้สมุดเรื่องได้ข้อมูลไปสมมติเป็นไม่จารณาคดีสมมตินะไม่ใช่ตำรวจ แล้วไปเอาเลขที่บัตรประจำตัวของเราไปทำมิจจะมันเสียหายกจะเกิดอะไรขึ้นเป็นบาชีม้บาบัชีอะไรใครจะรับผิดชอบเป็นเนี่ยนี่คือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีก็มีจะเป็นก็เป็น ก็เราทุกเวาฟังเฉอๆไม่อะไรหรอกม่เดร้อนตัวแต่มันตัวร้อนเท่ไห่มันกินยาแก่ร้อนแก่ร้อนหนึงร้อนตัวกับตัวร้อนมันมันต่างกันไหมมันต่างกันไหมอืม ร้อนตัวกับตัวร้อนอ م. มนรู้กันต่างกันเองกเรีเเยกร้อนตัว م. ตัวร้อนนี่ไม่สบายแล้วร้อนตัวสบายมั้ย นึกถึงคำพวกนี้รานึกถึงหลวงปู่ชา้าหลวงป่เช้าไปจันที่วัดธรรมสันติหลวงปู่ยินสมสิวีโลคบหนึ่งปีก็มีคือบาอาจารย์สายธรรมเส้นเทก็สายหลวงปู่ชองหลวพูดถึงนึกถึงเห็นหน้าหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่ขึ้นมา สมะสันติลูกบูชามีปฏิปทาหรือปฏิบานไหวเพิบในเรื่องเหล่านี้เูาตอบแต่และเรื่องนี้นอยู่มาหของผู่ท่านก็ไม่ได้จบอะไรมากมายไม่ได้เป็นมหาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ลูกผูปิจ ส, สอนหนึ่งที่เป็นเจตน์ลงกมมัน ที่ไม่ได้ยัดติดอย่างหปู่แหวเราก็เป็นขนาดเมื่อก่อนหลวงปู่ตื้อเราหนึ่งเป็นขนาดยมายติที่ว่ริญที่บทหลังเกา่าบทที่เป็นวัดชิลวงมีสองบทบทหน้าวัดบทหลังวัดที่รู้บูชาองค์เี่หลวงปู่มันทามบอกไม่ต้อง ประยุแบบนี้จะได้ไปเผยแพร่คำสอนไปอีกเอกคณะก็เลยมาหาลูกต า, าปกะนั้นขอวัดกิตรวัดปฏิปทาสายหลวงปู่ก็เหมือนวัดเราทุกอย่างมันทำประยุทธ์ทุกอย่างอาจจะดีกว่าด้ซสําไปต้งเร่งจริงจังขึ้นกันได้ ย, ยิน หลวงพ่อข้างๆอาจารย์เขาด้วยกันอาจารย์เาสอนกันเออฉันฉันข้าวเสร็จก่อนเอาบาตรไปล้างทานบอดีไม่ต้องฉันเยอะเสร็จแปดคำก็พอแล้ว10คำก็พอแล้ว พระนำนมมันไม่ต้างฉันเยอของเราเป็นยางเนี่ยมาถึงสองชั่วโมงเอาละทั้งหอบทั้งหิวเนี่ยกินปเป็นกันจะกินมันเขาสอนกันเรื่องอยู่เรื่องกิน อื่นทุกจิตยุมยื้มที่เราคิดเราไม่สำคัญนะเขาก็มาสอนกันกันถือว่าปฏิปทาสายหลวงปู่ก็ถือวสุดยอดโดยเพราะอุเชนชาต่างชาติคนนี้ก็เลยยังมาเล่าปฏิปทาหลวงปู่ฟังโดยเพราะเออหลักคิดหลักพูดหลักคำสอนที่หลวงปู่สอนลูกศิ์ลูกหาทั้งหลายเลย โดยการตั้งคำถานก็ดีคำถามที่ไม่มีอยู่แล้วเห็นว่าหลวปลูเราเวลาสอ น, นกจะรูอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องไม้เครื่องมือนะเอาของที่มีอยู่มีอะไรนลวปูก็สอนไปตามนั้นเหมือนหลวงพู่พุทธทาแต่หลวงป่พุทธทาจะตั้งเป็น ปเด็นต่างเป็นเงื่อนไขแล้วก็จะถามทานให้บอกเช่นทตตาเป็นเช่นนั้นเองนี่เป็นต้นมีอะไรก็ะธรรมก็จะบอกเป็นเช่นนั้นเองนีคือทตตาในเองบูชาแล้วก็เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้ได้เอาจงเรื่งงองดาราชาอุบุจชาวอุบุอร่อยนะ ก็ยกตัวอย่างเป็นคำสอนที่หลวงปู่สอนแล้วมันเป็นธรรมดาเป็นคำพูดธรรมดามีคนถามหลวงปู่ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ชาญงา น, น้ำมีจริงไหมถ้าเป็นเราเราจะตอบไปยังไง มันน่าจะจกตากาละ ง, งานนี่นะถ้าเอาความเชื่อเอาเหตุคือตัปกะมาอาธิบายไม่มีทางที่จนากันไนดะ้เพราคนจะต้องใช้เวลายีาง่งาความมรคํำถามพวกนี้พระพุทธเจ้าวิธีตอบของพระพุทธเจ้าหลวงปู่หัวเอาวิธีตอพระพุทธเจ้าคำถามบางอย่างเราไม่จะเป็นต้องไปตอบ เพียงแต่ตั้งคำถามซ้อนคำถามมันก็จะเป็นคำตอบในตัวเช่นเราอยากรู้ว่าเงินเดือนผู้อมกับที่มันกี่บาทอถถถ้าาาาามมไปมท่่นนนโดยงันนเกมยเราคงไม่ถามในตรง บอกเออมาื่อวานหรือวันก่อนญาติไปแมโจ้ทาบว่าเงินเดือนคุกลับหน้าเกินแสนเดี๋ยวเขาก็ตอบเองอะโอ้ยที่ไหนเป็นแสนท่านมันแล้วแต่อายุงานตำแหน่งงานคือห้าหมืน่นหกหมืนหม่นจน ท, ที่บวกกับเงินประาันตำแหน่งอื่นๆยังไงก็ไม่ถึง เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องไปถามว่าเงินเดือนเท่าไรเจ้าตัวเขาก็ตอบเองอันทเกิดวิธีการผู้ชายาเชื่อเดียกันลบกปูชาก็าเชื่อเดียกันถามว่าเชื่อ น, น้าไม่จริงไมบอกโอ้คุณเชื่อแล้นเชื่อก็งงแล้วอา้าวงงอไร ใครเชื่ อ, อโง่แล้วเ้าเราจะไปสู่ได้ยังไงเอาอย่างนี้ชาหน้าไวยจริงหรือเปล่าไม่รู้เอาเอาเงี้ยถามโยกก่อนพรุ่งนี้มีจริงไหม กูมันต้องไปตอบอะหลวงปู่ท่ามันต้องไปตอบอว่าชานามมีจริงไหมถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมมันก็ต้องเพราะว่ามีอะเรารู้ได้ยงไง ร, รู้ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงคือคนพูดได้หมดอ่ะแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงกันถามาปฏิเสธได้ไหม มาถือประจักษ์ต่างคื อ, อ น, นี้กำลังสนทนากับหลวงปู่หลปู่สอนชาวบ้านหลงปูสอนให้เกิดปัญญาหลงปูจะถือไม้เท้าถ้าเราเห็นในภาพภาพนี้เป็นภาพนั่งไม่เลยเห็นไม้เท้าอันอนนี้คือหลวงปู่หลวงปู่เป็คนตั้งคถาง โบถามาาว่าไม้เท้าอันนี้มันสั้นหรื อ, อยาวตอบไง่ายไหมถ้าเป็นเราเราจะตอบอย่ายัง น้องปูมีคำตอบให้ไม้เท้าอันนี้มันไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเพียงแต่ว่าถ้าคนต้องการไม้เท้าเนี่ยมันยาวกว่านี้ไม้เท้าใน ก, การเป็นของสั้นไปถ้าคุณต้องการให้มันสั้นนิดเดียวางแต่ไม้เท้าอันนี้มันก็จะยาว พนะครับตอบจะไม่มีเหตุต้งดีสุมาอยู่ที่ความต้องการพูดง่ายอยู่ที่ความอยากอยู่ที่ความอยากเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องไปเถียงกันว่ามันสั้นหรือมันยาวมันมีเหตุมีผลในตัวของมันและมันเป็นคําตอบของมันถ้าจะเถียงกันกั็ต่อยกันไปก็ซึ่งมาดูว่าที่เรียกว่าเัวเองว่าสั้นมันคืออะไรยาวคืออะไร เห็นไหมสติปัญญาแต่ถ้าตอบเอาแบบสัญญาคือความจำได้ใหมเลยมก็จะต้องตอบอีกแบบอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างเล็กเล็กกคน้อยเรื่องงูพิษงูน่ากลัวไหมทำไมถึงน่ากลัว เพราะมันมีพิษอืมแต่ถ้ามันไม่กัดเราเรอ่ะน่ากลัวไหมอือแล้วมันคืออะไรเป็นอืมเอองูพิษมันอยู่ที่ไหนงูพิษของงูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟัดก็อยู่ที่หัวใช่ั้ม เราเราก็จะไปจับหัวเนี่ยจับหามัาดูหามันไม่มีพิษเนได้ไหมถ้ารู้ว่ามันมีพิษเราก็ยังไปจับเล่นมันอยู่อ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะอยู่กับเราไหมงูมันจะอยู่กับเราไห ม, ม ถ้าเราเจอมันเออเราจะไปกลัวมันทำไมคำถามคือจะกลัวมันทำไมแต่แตคือคิดมันไม่เข้าสู่ร่างเรามันก็ไม่มีอะไรเลยเพราะพิษอยู่ที่ตัวมันอันนี้แค่ตัวอย่างแค่ตัวอย่าง วิธีสอนการสอนของปู่เอาธรรมชาติที่มีอยู่วัตถุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วสอนให้คิดคือสอนให้เกิดปัญญาไม่ได้สอนให้เกิดสัญญาเรื่องแบกเดิมหามเรือกปล่อยเรื่อ ง, าอ ง, าอ ง, อองวางของปู่ก็สอนสอนว่าหินก้อนนี้มันหนักหรือมันเบาหันชี้ว่าหินก่อนนี้มันหนักหรือมันเบา คนก็ต้องตอบว่าทำไมหนักมันก็ต้องเบาสองเรื่องแค่นั้นคือคงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นคำตอบก็คือหนึ่งมันเบาสองมันหนักถ้ามันรู้ได้ไงมันบอกแล้วมันหนักแค่ไปยืนเทียงกันแล้วบอกมันหนักมันบอกรู้ได้ไงงไอรู้ได้ไง เออถะารู้แล้วมันหนักก็ยังถือไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเนี่ยรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันหนักหนักใจก็ยังถือมันไว้อยู่เนี่ยก็จะไปโทษแมวที่ไหนที่เนี่ยเออพูดถึงแมวที่หนึ่งอนาคตไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยใครที่เลี้ยง สัตว์เลี้ยงหรืมาเลี้ยงแมวต้องขึ้นทะเบียนในวันแก้วมันก่นนะเราจะของแมวเอาไปสวรรค์ซะและ้วจิตสงบไปสวรรค์ซะแล้วก็อยู่กับแมว ล, ละต้องขึ้นทะเบียนเป็นของเลี้ยงนะสัตว์ของเลี้ยงมันมีผลได้หมดเนี่ยกลับมาถึงหลวงปู่อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่หลวงปู่สอนสอนให้เกิดปัญญา ไม่สอนให้ราหูห ล, ล, ลับตานั่งสมาธิชั้นขั้นนั้นกั้นนี้ขั้นโน้นสอนให้เราเกิดปัญญาเห็นปัญญามองเห็นแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนี่แหละที่มีอยู่เหมือนตอนนี้ตอนนี้เขาก็น่าจะบอกนวะเป็นวิกฤตของาศาสนาในยุคของพระสองฆ์องค์เน่งของครูบาอาจารย์ คำว่าวิกฤก็คือมันเรื่องทั้งหมดที่มันมีอยู่นถ้าเรียนเป็นเตแบททำนะครับว่าอุกฤษนี่มันตัง้งตึงโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างที่พวกเราทํามทำกันอย่างเช่นในเรื่องกางค้างก็ถือว่าในขั้นอุกฤษนะขั้อุกฤษเพราะคนท่องดาเขาไม่ทํากัน ไม่เป็นงนันแต่เพอเอาระคำอุกฤษมันใช้ในทางที่ดีแต่อุกฤษแบบเรื่องอื่นๆมันไม่เกี่ยวกับของพวนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าคำ ว, วิวิกลิตเนี่ยมันน่าจะเป็นถ้าเป็นห้องอาจจะอยู่ก็เกือบตายอ่ะเกือบเกือบไปทางตายอ่ะในชีวิตขั้นอุกฤษจริงเนี่ยความเป็นอยู่ปัจจุบันคงคงเก็่ยวกันอย่างนี้ ความวิกฤตัวเนี้ยมันเกิดจากคนมันไม่มีธรรมะอยู่ในใจเมื่อมัมีธรรมะสติปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อสติปัญญามันกเกิดก็แก้ปัญหาเมื่อที่หลวงปู่ถามแก้ปัญหาตามสัญญาถามว่าผิดหรือไม่ผิดถามคนหี้เนีน่ยหนักไหมถ้าไม่หนักมันก็เบาขนาดนั้นบางคนก็ มีแรงแล้วอเบาบงคนยกมาขึ้น บ, บาคนนก็ไม่มีิตไม่มีถูกแต่จริงๆถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเลยมันก็อยู่ในธรรมชาติของเขาใจเราก็เหมือนกันมันไม่มีหนักไม่มีอุามจิตถ้าใจมันมีธรรมะใจันเป็นธรรมะ ม, มันไม่มีหนักไม่มีเบามันจึงไม่มีคาว่าหนักใจจะไม่มี ข อ, ของพวกนี้เกิดจากเราไม่สามาที่เด็บคือเราไปยุ่งเราหื่อใจไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้จักปล่อยวางปล่อยไม่ได้วางไม่ได้สักเรื่องมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปคิดซ้ำคิดซ้ำๆ้ำำอยู่อย่างนั้น ความพวกเรื่องโรคซึมเศร้าทั้งหลายแล้วก็เกิดจากเราคิดซ้ำและจิตมันจําจำว่าเป็นจริงเป็นจําเป็นเรื่องเป็นราวดันั้นถ้าเราปฏิบัติจะปฏิบัติยังไเป็นการคลายปมสิ่งนั้ น, น, นพระพริธเจ้าถึงบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็คิดของคนนี้ยอย่างเอาคําสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคือของพระพุทธเจ้าคนใดหนึ่งก็แล้วมา พิจารณาในการยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีเอาไปทำเอาเป็นการเป็นคำบริกรรมแต่เอามาภาวนาพิจารณาใช่ครพิจารณาเจรวิจยะธรรมะวิจยรระคือใครควรพิจารณ า, รราสอดนสองดูแลเราญธรรมวิจยะจึงบอกว่าหนึ่งในการคนที่จะประสบความสำเร็จได้ก็มีหนึ่งในขั้นตอนลงน้น อันนั้นก็เป็นความเพียรที่มีอยู่ความเพียรมันเป็นตัวเผาทำให้ร้อนมวนลร่างกายก่างกมันร้อนมันจะมีเหตุมีผลของมันตามกลไกของมันไม่ให้มันร้อนก็นไม่ได้ไม่ให้มันเย็นก็นไม่ได้เพียงแต่ว่ามันผิดธรรมชาติแล้วเราก็ต้องดูแลรักษามันไปเราจะไปบ่อไ้อัง่งธรรมชาติไม่ได้ เช่นเกิดแก่จะตายเรารู้แล้วว่าผลของมันคืทุกข์เกิดคือเกิดแก่จบตายเรารู้ว่าแก้วตัวนี้ไม่นานมันอนันตรังประกลางอนุาตานเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็สลายแล้วทาไมเราต้องรักษามันอยู่ร่างกายสังขารธาตุสี่ขา้าวทเรามีอยู่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายไปหรือว่าตายที่ทำไมต้องรักษามันอยู่ ที่แต่เราเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือกระบวนการสุดท้ายปลายทางเราจะเป็นอย่างนี้เราก็อยู่เขาได้เย็นร้อนออนแข็งก็รักษาไปตามอาการเราก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนตอนนี้มันมีทั้งเย็นมีทั้งร้อนมีทั้งเมืดมีทั้งสว่างอยู่ที่เราเราจะเห็นอะไร หมายเท่าใจเราจะเห็นอะไรก่อนนี่เข า, าปรั ส, สนาแต่ทุกวันเราไม่มีการวิปรั ส, สนาคือไม่เห็นสิ่งเหล่า น, นี้เราเคยไม่โอปะนาโกคือไม่ได้พิจรารณาถึงความเป็นไปความเป็นอยู่มันเพราะนั้นท่านจึงเปลี่ยนคําสอนเหล่านั้นเป็นคํคาพูดคาเทศเป็นคําสวดเทนแต่อย่างไรเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี เรื่องเหล่านี้มีในสมัยพุทธการไหมของพรใช่คําตอบมีในสมัยยกพู้เรานี่แหละยุกพู้เราในสมัยพุทธการนี่มีเนื้อในการภาลานาทั้งหลายเลยในพุทธการนี่มีสมัยพุทธการในสอนให้เห็นคนจริงหมือปูชาวสอนเหมือนนางศรีมานางศิริมาเป็นผู้หญิงที่เลชวชม แต่เขาก็เป็นเขาเรียกอะไร่ะนักแรโสเภณีแปภาษาเราก็คือยิงงามเมืองแต่พูดภาษาเราไงก็ตัดนักแร้ออกเลยโสเภณีแล้วคือที่หมายคําว่าโสเภณีจริงๆเข้าไปว่ายิงงามเมืองคือไม่ใช่ใครก็เป็นได้ไม่ใช่ใครก็เป็นได้แล้วค่าตัวที่แพงแพง ไม่แพงธรรมดาขามีอัจางเขาเขามีเรทของเขาอยู่จำไม่ได้แต่สรุปคือแพงต้องเป็นพระราชามากก็จะอาหารบดรีเสนาบุรีคนมีตังค์เท่านั้นถึงใช้บริการได้แต่สุดท้ายนางก็สำเร็จนางก็สำเร็จสุดท้ายวันที่ นางเสียพขาวาก า, าวทูลพระพุทธเจ้านางสําเร็จแล้วเขากาวทูลพระพุทธเจ้าวา่าวอ๋เดี๋ยวก่อนเธออย่าพุ่งไปทําอะไรปล่อยไว้อย่างนั้นแหละดียเราจะไปแล้วก็พาเชิญชวนประชาสนไปก่อนแล้วก็เผาฝังแล้วก็พีดิบพีดิบก็คือแค่อเอาไปิ้งไปเฉยเฉยเอาผ้าขาวไปพันพัๆๆๆจะเป็นที่มาของพระ บ, บางสกุล พันกายเอาไว้ทิ้งบันทีก็ให้สิงสาราสัตวเป็นอาหารกันไปเคี้วกันให้ทานคุณจะไปไปดูว่านางก็โซรามากร็เกิียดการเรียนส่ยงามไม่ถามก็เรื่องของเรื่องบิดพรองค์หนึ่งคือไปเมาภาษาทางเหนือก็เรียกว่าเมาภาษาอีสานเรื่องอะไรมัน เคลว่อหลงรักคุณอาออกมาใส่บาตรไม่ได้เห็นดูหน้าเลยสลํารวมมรู้แค่มืออย่างเดียวโอ้วจินตนาการใหญ่หลวงขนาดมือนางอย่างขนาดนี้ใบหน้าเรื่องอาตานอื่นจะเป็นยังไงก็ยน่ได้นอนไม่หลับห้าวประชันไม่ลงบินธบจกับวางปล่อยให้มันเน่า เออเห็นไหมโทษของมันไม่ธรรมดาคอับเลยจะแก้ไงก็เลยเรียกให้มาดูเออตอนนี้วัติราคาขายเป็นพันเป็นร้อยเป็นห้าร้อยสี่ห้ารอยเหลือดกระห้าวไปนาดเดียวนี่ใครจะเอาไหมผมไม่เอาสักใครก็อย่เอาผู้ชายไปใช้วิธีตั้งคำถามสอนเดกันตั้งคำถาม คือให้คิดได้ด้วยตัวเองเือเกิดปัญญาเพราะฉะั้นถ้าเราใช้วิธีอย่างนี้เอาพู้เจมาคือเราก็ก็สามารถตั้งคําถามกับสิ่งที่มันเป็นมาเป็นอยู่นไปในชีวิตประจําวันของพวกเราถึงที่เราเคยเห็นเคยมีเคยเป็นเคยอยู่เรื่องนี้ว่าจะยืนก็เต็นั่งก็ดีกว่า ป, ปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้เป็นระบบไม่เป็นระบยบจุยเกิดใจายี๋ยวฟุง้งซ่านคิดให้เป็นระบบคิดให้เป็นประโยชน์ คิดได้มันจบถ้าฟุ้งซ้างนะั้มันไม่จบแต่คิดจบมไม่เรียกว่าฟุ้งซ้างสุดท้ายก็มใีใครเอาผลงานศิลปมาหรือกที่เลยจบมาอันนี้คือประวัติในในิา น, น, นสมัยพุทธกาลคือเกี่ยวข้องการใช้สติปัญญาคือไม่ได้สอนให้บริกรรมนั่นนี่นู่นเลย ถ้าคนมีสติปัญญามีคนบารมีคนเคยปฏิบัติเคยสะสมมาก่อนก็จะขึ้นได้จกเกิดขึ้นมาได้รู้ว่าเกิดปัญญาคืออาศัยสัญญานั่นแหละแต่ถ้าเราใช้สัญญาอย่างเดียวเหมือนพระที่องค์นะที่หลงอยู่นะ น, นั่นเราใช้สัญญาแล้วก็ใช้ไม่จบเต่เจ้าสศยพระงามเห็นเกิดสุดท้ายก็ราคะ เป็นบทปลายทางโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้จะเกิดถ้าจริงๆมันเป็นความร้อนร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจงเพราะนั่ไฟสาอย่างเนี้ยซุมตัวเราโอ้ราคาคีนาทสักีฮามาคิดอะไรที่ไปโปรดรู้สี เอาไฟเอาเอาลมไฟมาคุยเพราะว่า mm hmm. พวกฤษีก็นั้นเขาเล่นไฟคุณิเจเอาไฟรื่องไฟแต่ไฟที่โปรงมาถึงไฟไม่ใช่ไ ฟ, ไ ม, ไ, ฟไม่ใช่ฟืนที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่นคือเทศนากันที่สอง คืออธิธปยายสที่เราสวดๆกันเนี่ยเไปเรื่องทาจิตได้แต่เราไม่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่เป็นคำสอนที่ดีมากๆแบบนี้ก็เลยเราเล่าให้เร า, าฟังหน่อยซีปจิบันเพื่อเป็นขันกำลังใจว่าอรอบตัวเราข้างใครจะเป็นยังไงก็ชังมวนพลาดสององเณ น, นตอนนี้โดยโดยภาพรวมแล้วมันก็มัน่ามีอะไรไปตกกังวล เราจะใช้บังคับใช้กฎหมายอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีเผลอเราไม่มีแพงงูมันก็คืองูแต่มันไม่แค่กัดเราคิดไม่เข้าสู่ร่างกายเราเราจะไปกลัวอะไ ร, รถ้าเราคิดอย่างนี้ไปกลัวอะไรเข้ามาก็เข้าแต่เราบางอย่างเราต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช้สิทธิตมม์ต่างๆเช่นขอดูขอบัตรไปจําตัวขอหมายอะไโทรศัพท์ขออะไร มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยจะถาว่าเอาไปทําอะไรว่าเป็นข้อมูลข้อมูลอะไรเขาก็ต้องตอบได้าเป็นข้อมูลอะไรเอาไปเพื่ออะไรถ้าสมมุติว่าตํารวจขอพระได้พระขอตํารวจได้ไมอะไรกันได้ไหมโอ้โหคงได้หัง มันก็เป็นเดียวกันคำตอบก็เป็นเดียวกันเหมือนบูชากเราก็ทํากับเราเพิงเคลื่อนเดียวกันเพราะฉะนั้นกฎหมายเราต้องสมภรภูมิการจะบังคับใช้ทุกอย่างไม่ต้องสมรภามในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบกฎติก า, ดาใดๆกต็ตามที่ตาขึ้นสร้างขึ้นต้องไม่ขัด กับระบบระเบียบจารีดประเพณีอันดีงามที่มีอยู่แล้ว ถ, ถ้ามันขัดมันแย้งเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่ดีได้อย่าง้รจะเป็นกฎระเบียบกติกาที่ดีได้อย่างไรมันไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเรื่งถึงเรื่องสินเรื่องทำสองคำ น, นี้ถ้าเราปฏิบัติตามหรือ ว, ว่ามีศินมีธรรมไม่ต้องเป็นห่วงใดๆเลยกฎหมายต่อให้กฎหมายทั้งโลก มันก็ไมมีผลอะไรเหตุเพราะว่าเจ้าตัวนี่เองเปนละเมิดสิทธิ์ซะเองไปเป็นซะเองก็จะไปโทษใครไม่ได้จะไปโทษสิทธของมินายของผู้เจ้าไม่ดีไปได้แต่ถ้ากฎหมายบ้านเมืองมันมันไม่ดีพอไประงัมไม่ได้มันเราไปโทษประยภายนอก สําหรับคนที่ฝึกขันปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเองดีแล้วพร้อมแล้วจะไม่มีเรือความเดดร้อนของคนุนก็เข้าใจเข้าใจความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ความจริงก็คือความจริงอย่าไปอินปูชาสอนความจริงมันก็คือความจริงมาได้พูดถึหินหินมันไม่หนักมันไม่เบาอะไรเลยคนไปเกี่ยวข้องค่ะน่าคือเราไปเกี่ยวข้องแ เราถึงรู้ว่ามันหนักมันเบาแต่ถ้าวางเขาอยู่เฉยๆนีน่คนอะไรล่ะดาเคราะห์มันเหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าใจเราไม่ไปเกี่ยวข้องมันมีส่วนในเรื่องนั้นก็มาต้อไปไปตกกังวลไม่ไปฟุง้งซ่านแล้วคับเพราะมันนี่คนอะไรกยกเวน้น ทไมร้อนตัวก็ตัวร้อนอันนี้แหละเพราะทำไมถึงร้อนตัวเพาะว่าเขาจะตรวจสอบสมมุติสมมุติว่าเชียงใหม่ก็กาลังจะมานาะที่พูดเรื่จริง น, นะส่วนวัดที่มีประวัติย้อนหลังแล้วมันตรวจสอบแล้วมันเรื่องเงินทองแล้วอื่นๆที่เคยมีเรื่องมีหน้าปกอีการฟ้องร้องกันเนี่ย นี่แหละก็เรื่องร้อนตัวเราเนื่องมีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆแต่เรื่องวัดอื่นเนีย่ยแบบอีเรื่องหนึ่งเราต้องมีเขาก็จะกลัวว่ามาตรวจสอบความไม่ถูกความไม่ต้องมันก็เป็นการดีสิเดี๋ยวเราจะได้รู้รับรอวัดเราไม่มีของพวกนี้ก็ให้กลัให้เราสบายใจ วันอื่นไม่ชอบแต่อะไรก็ตามเพื่อให้ตรกตอนน้องตามกฎระเบียบกติกาก็ได้ตั้งกันกรรมการมีเจแล้วขณะตามคำสั่ ง, งตั้งไว้แล้วครบไวรีกรกรรมการช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลสอดสองอีกที่สำคัญคือ ทุกคนเป็นตัวอย่างถ้าทุกคนเป็นตัวอย่างเนี่ยหลวงพ่อพูดเสมอว่ามันมันทำแน่ได้นำได้เด่นแน่ไม่ได้นําไม่ได้เป็นตัวอย่างไม่ได้คือไม่สามารถที่จะนํากันได้มันก็เป็นตัวอย่างไม่ได้แต่หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายแหละที่ท่านนํามาท่านแน่ได้นําได้เพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลผ่านการเกิดกระบวนการพิจารณาคัดกรองสอดส่องดูเลย ตั้งแต่ต้นจนจบผมพูดยังไม่อายปากต่อไปยังไม่อายปากถ้าตอบก็ไม่แขใครคัดค้านซึ่งเรา้นเหมือนพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครพู้ใดคัดค้านสึ่งเราทำจนหลายคําคือบางคนจะเป็นฆราวาสญาญโญแล้วก็มีคําค้านปัญค้านได้ แต่เป็นกับพูดที่เป็นปริจาของเราเนะี่ยฉันมักน้อยสันโดษคือความพอดีมักน้อยคือคํานึงสันโดษอีกคำหนึงนะมักน้อยนี่มีมากจะเอาน้อยมาเยอะแต่สันโดษมีมากก็เอามากมีน้อยก็เอาน้อยตามมีงเกิดความหมายนะี่ความหมายคําว่าสันโดษนี่คือคําว่ามักน้อยสันโดษ ตรงแล้วคําว่าพอเพียงบางคนก็ยังเถียงได้หลวงก็นี้ถ้าถ้าพอเพียงเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะรวย ค, คําว่าใจเขาพอเพียงบางคนละเรื่องนะอะคําว่าพอเพียงก็คือความหมายความหมายสิ่งที่ธรรมชาติมาสอนมนุษย์เราอะไรที่มันเห็นง่ายที่สุดดนชืน่อตประจำวันพยายามไ่ากเรียกไม่ปัจจานา มันมีการนาริพพานเสื้อผ้าผ้ที่เราใส่นั้นคำว่าพอดีมันเข้าใจคําว่าพอดีไหมมันเล็กไปใส่ได้ไหมแล้ว mm hmm. มันใหญ่เท่าท่าบ่นมันก็ใส่ได้มันก็ใส่ได้ะคําว่าพอดีอะเรา็พอดีพอดีคือพอบางคนแล้วก็พอดีแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน นี่คือสัจจะอะไรวามจริงไม่ใช่เหมือนกันเอาเสื้อเสื้อทัวนี้พอดีไหมให่กับเด็กสามปุ๊พอดีอ่ะกับผู้ใหญ่ใส่ได้ั้นพอดีเอาไม่พอดีเอากระนัยปลอมมันพอดีก็ไหนว่ามันพอดีนะะพูดอย่างนี้อันพาการอันทะ พ, พานคือทั้งมืดทั้งบอดทั้ง อ, อ่อนขอนปัญญา เรวอัตตาพานแล้วความหมายคําว่าอัตตาพามนมาเที่อวกับดังเลงคือมันอ่อนปัญญาปัญญามันอ่อนถ้าจะบอกปัญญาอ่อนอ่อนปัญญากับปัญญาอ่อนอเปคนละเรื่องนะอ่อนปัญญาเนี่ยมันมีปัญญาอยู่ปัญญามันน้อยแต่ถ้าปัญญาอ่อนเนี่ยอื ม, มังมีเหมือนทุกคนอะ แค่บอกไม่มีสมองเลยทำไมไปโกรธเขาเ อ, อ่ะอืมันต้องโกรธไหมมันไม่มีสมองอย่างเงี้ยโกรธไปทำไมต้องโกรธอ่ะแสดงว่าโกรธแสดงว่าเราไม่มีสมองจริงๆไปโกรธเพราะทำไมเราก็มีอยู่แต่ว่าจะมีมากมีน้อยเรื่อง ไปโกรธเขาอืไปโกรธจะน่าสงสาร อ, อันนี้คือลักษณะการใช้ปัญญาแล้วมันสนุกมันพเพลินแลการปฏิบัติของเราก็เป็นธรรมบันเทิงคือบันเทิงในธรรมมันไม่เบื่อแล้วมันไม่เป็นโทษเปนภัยกับใครมีแต่ได้ประโยชน์กับประโยชน์สติปัญญาของเราก็จะเฉียบแหลมมองโล ก, กทัศน์ รอบตัวรอบข้างแม้แต่ตัวเราเองคือมัอนใช้ได้เพราะอันนี้คือยกตัวอย่างเล็กน้นอยที่เราสามารถที่จะนำไปสู่การพิจารณาเพื่อให้เกิดสติ ป, ปัญญาปลายทางคือสติ ป, ปัญญาและคือปลายทางกับปฏิบัติไมยว่าโดยวิธีไหนก็ตามยืนเดินนั่งหรือว่านอนก็ตาม แต่ถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้วิปัสนามันก็ไม่เกิดขึ้นเลยวิปัสนานี่ควาหมายของวิปัสนาเพราะวิปัสนาจริงๆแปลว่าทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยจึงเรียกวิปัสนาไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะอยางรู้ว่าเออไม่มีสมองอย่างเออรเอ อ, เ อ, อมันมันมันด่าเรานะกลายเป็นคำว่าสมองน้อยทีจริงสมองเราไม่มี เราไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะถามกลับว่าใครกันแน่ที่ไม่มีสมองอย่างอาจารย์นั่งปฏิบัติแนวความคิด อ, อันไม่ต้องเป็นเสร็จแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวกับโกรธไม่โกรธมันมีอะไรต้อน่าโกรธหรือไม่โกรธมันไม่มีอะไรน่าโกรธไม่โกรธก็แค่ว่าถามว่าไม่มีสมองแค่นั้นเอง นั่นก็แปลว่าเราวางอารมณ์ได้ก็มั่งแต่ถ้าพวกเราไปต่อของยาศาสตร์มัเป็นยังไงคนที่มีสมองกับไม่มีสมองเป็นยางไงเล็กดังคู่เลยเละกันคู่เลยแล้วมันเป็นจูชีวิตอันนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราลบม้แต่พระพุทธเจ้าของเราลงมาก็เช่นเดียวกันหรือพระแม่ครูบอาจารย์ การปฏิบัติแต่ละครั้งแต่วันแล้วเสี้ยงเหล่า น, นี้ยมันจะอยู่ในจิตใต้สานึกของเราพอนลิกึ้นมาไเท่าไหร่ก็จะเห็นช่องทางเห็นกระบวนการของมันตรงข้ามกับขอที่ไม่ดีแค่เห็นหน้าบอกไม่ชอบขี้หน้าแล้วมัน้องขีหน้ามันเป็นอย่างไ้แล้วขี้ใส่หน้ามันหรือเปล่าบอกไม่ชอบขี้หน้ามันคืออะไรก็เพราะเราไปจำของไม่ดี ของดีมีอยู่ไม่จําอะแล้วไปจําขี้ของดีก็มีเยอะแยะไม่จําไปจําขี้โอ้โหตายแล้วตายแล้วขี้หนึ่งอย่าไปคิดโอ้โหไม่มีผล น, นะสุนทเอามีแค่หัวไม่มือวางตัวเนี้ยยังวงแตกเนาะไม่ต้องเยอะแค่หัวไม่มืออะตั้งกันเนะ ไปถามขี้ใครวะขี้ใครวะเห็นไหของไม่ดีอย่าไปคิดว่าเออของไม่ดีนี่ต่อยไม่เป็นไรอืของเน่าของเสืออย่าไปคิดนะอืใถ้ามันลดลงได้เป็นการดีเพราะของไม่ดีของเน่าของที่มีอยู่ของเราอตัวเราพยายามที่ปัดปั ด, ดขัดเกา่าให้มันลดให้มันน้อยถอยลงไป ในแต่ละวันในแต่ละวันให้คิดได้ด้วยตัวเองเราคิดได้เร็วด้วยแต่คิดช้านี่ไม่ทันกิเลสมันเอาแล้ะเพราะกิเลสเปนครอบงำเรามานานนั่นมันก็เป็นเจ้านายเรามานานแล้วเราก็เป็นที่ฆ่าของมัน่ะโดนมันใช้ตลอดมันใช้ทําอะไรก็ใช้ใช้โก้ก็โก้แจ้โล่ก็โล่ถ้าให้หลงก็ลองสุดท้ายไม่เ ป, ป็นตัวของเองกานจิตองปฏิบัติแล้วจิตมันต้องไปอิสระ อิสระคือไม่ขึ้นตรงกับใครถ้าจิตของเราเปอิสระเมื่อไหร่นั่นแหละการปฏิบัติของเราจะเริ่นขึ้นดีขึ้นเหมือนตัวเราถ้าคนไหนไะมีอิสระมากไม่เกี่ยวข้องกับโมณะหรือการปั้นที่อื่นๆมันก็จิตใจมันก็สบายขึ้นเบาขึ้นจิตของเราเหมือนกันนะถ้าเราจิตเราบนเบาจิตมันไม่ยึดไม่ติดจนมากเกินไป เป็นวางอะไรไม่ได้ทั้งอย่างไม่ได้เรื่องร่วงมาแล้วผ่านมาแล้ววางก็ไม่ได้แสดงว่าการปฏิบัติทำก็เอออย่งอย่างไม่ได้ผมเหมือนกับในหลวงที่ไปตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ตอบว่าแสดงว่าความดีเรา ย, ยัางไม่พอครูบาอาจารย์กให้กําลังใจเพราะนั้นครูบาอาจารย์ องแรกที่ในหลวงจะท้าอย่างมากก็คือต้องปูฟังปกติในหลวงของเราเนี่ยจะทรงบาตรคือใส่บาด ท, ทุกวันทุกเช้ามีวันหนึ่งค้าท่านบอกพระอาหารหันตประเทศไทยมีอยู่หรือเปล่าอยากรู้ อดีษฐานะพระอาหารหันต์พระเทศไทยนะมีหรือเปล่าวันนั้นพรเกิดไม่ได้ส่งบาทคือไม่ได้ใส่บัตรีพบระที่พระองสั่งกระานบริบาลเอาไว้วันอย่างนี้ถตาใครมารับบาทรงแรกบอกเราด้วยเตือนเราด้วยประโวราพระนั้นคือ หลวงปู่ฟันถ้าท่านมากรุงเทพได้ไงหลวงปู่ฟันอยู่ที่ไหนมาถึงนัดดวงกลับมาก็ถามว่าที่ใส่บาทรับบาทองค์แรกเป็นใครเขาก็าาาไม่รู้ก็ไม่ใครรู้ก็บอกรูก้ราหน้าตาเลูกแต่มาบอกอ๋อกายหลวงปู่ตาไปกา่า เราจะเห็นว่าภาพสุดท้ายที่ก่อนพระอาจานเพลิงปูกาบลงดินนี่นะไม่ใช่กาบที่สุงเองปูมือหน้าผากตะดินเนนะเป็ น, เ ป, นเป็นกฏทา่ิเคารพมากหลังกากนั้ น, นก็ตามตามกันมาประมาณกันมาเพราะนั้นในหลวงเราเป็นทักปฏิบัตินะทักปฏิบัตินะไม่ธรรมดานะพราะกับพูด แต่เรายังไม่เห็นว่าให้โอวาดหรือว่าให้ในแต่ละปีเนี่ยครั้งเนี่ยแฝงได้วยธรร ม, ามาการสมัยยังมากมากไม่ธรรมดาเช่นในสื่อมาชน็อกเยอะสุองค์เขียังเป็นการ์ตูน่ะที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายพวกเราเคยอ่านไม่มาชนกเหมือก็อ่านการ์ตูนไงก็ไม่รู้อันนักนกแล้วกันไปมันแฝงด้วยคติทำคติข้อคิดเยอะมาก เรื่องความเพียรอุปสรรคนานานประการก่อจะนั่งแล้วนั่งเรือพาขึ้นมาขึ้นดานได้โอ้ขึ้นขึ้นฝั่งไายเนี่ยต้องฝานอุปสรรคเยอะมากมายนั่นคือแค่ว่ามาเช่นคือพ่อพ่อเรานะกว่าจะผ่านมาในโอ้โหผ่านปางเยี่ยวปางกาทะเลกว่าจะขึ้นฝั่งมาขนาดนี้ด้วยความหมอมาเจอพระองค์มันกำลังจะบอกเล่าชีวิตพระองค์ให้ฟัง แต่คนอ่านก็เหมือนอ่านการ์ตูนแล้วแล้วคนไปมันก็ไม่ได้อะไรแต่จริงๆเฟียง เ, เร า, เคาคิดม่มคของมันข้อเราเนะีโอ้ไม่ธรรมดาอนี้ตัวอย่างเล็กน้อยในคนที่คุณหัดปฏิบัติทำสติปัญญาของของท่านแต่และองค์แต่และท่านไม่ธรรมดาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ในหลวนท่านว่าไปสนทนากับ ขวบาจารแต่ละองค์ไมใช่ไนงะน้องวัยนี้ใช้เวลานคือมันไม่เบื่อฟังยังไงก็ไม่เบื่อมันเพลิดเพลินต้องพูดกับขวบาจารมันเป็นอัดเป็นธรรมันไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งอะไรกับใครแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรากในภาษาการนะ์เนือว่าอืเราบอกคนเราเกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีต้องต้องคิดอย่างนี้เลยนะ ขัดห่าตริวานกัลยานนมิตร้วนเป็นคนที่ร่วมสร้างบารมีกับพวกเราทั้งนั้นนะห้เห็นว่าตัวคนเป็นกัลยาณมิตบุคคลคือผู้ร่วมสร้างบารมีบารมีที่เราทั้งๆเราสวดๆกันมานตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นกลางขั้นละเอียดคือบารมีสิบท่นจึงกลายเป็นสามสิบเพราะนั้นเราการปฏิบัติของเราก็ต้องกันเนี้ผู้ที่เจ้าของเราปฏิบัติมัง สร้างบารมีมาจนเต็มจนครบเพราะฉะนั้นพวเราตอนนั้นก็ถือว่าผู้สร้างบารมีอย่าไปหยุดอย่าไปย่อนอย่าไปท้ออย่างน้อยที่สุดก็คืออนาคตหมายถึงข้ังหน้าถือพวกนี้อย่าไปถา ม, ถามว่าพวนี้มีจริงไหมอย่าไปถาม <c oughs> ถึงต่อไปมันก็อย่างนั้นสุท้ายมัน ตามไปสิบความทะเลาบอกแเง้งเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเราเชื่อว่าเราที่เราทุกคนที่มาได้ยินได้ฟังได้เคยเราเรามีของเก่ามาแน่นอนก็มีต้นทุนมาแน่นอนแตาต้นทุนเรามาขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องไปต่อเราก็จะได้แค่นี้แหละกำลังมาให้เรามาต่อ ตนทนคือบุญกุศล น, นี่แหละแล้จกมาเสริมสร้างบารามีอะไรก็ได้เกิดบารามีศัจจากบารามีอธิษฐานบารมีศีละบารามีทานบารามีเยอะแยะคือเป็นเป็นเนชื่อเป็นบารามีเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราจะมาสร้างเสริมของคุณในขณะเดีวยวกันจงภูมิใจว่ายังมีคนอีกเป็นพันๆล้านที่ไม่มีโอกาสอย่างวกเราเราต้องคิดอย่างนี้นะเอาแค่คนเนาะ มันต้องเป็นเรื่องสัตว์อื่นแนหะอค่คนบนโลกไปนี้แปดพันล้านคนนะ่ะที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เจอธรรมะเจอคราอาจารท์ที่ดีๆเนี่ยมีไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้มีทุกประเทศนะที่เป็นาบ น, นี้โลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเราถือออนี่คือความโชคดีของเราต้อความชคดีอยู่ในภูประเทศที่สมบูรณ์คือสปายะ เกือบพร้อมทุกอย่างนาทีกานอ่านกันกินเสนาสนะคือมันพร้อมทุกอย่างอากาศมีครบทุกฤดูแย่เมืองอื่นเขาไม่ได้มีอย่างเรานะหนาวนี่จออกจากบ้านเไราไม่ได้เลยนะร้อนจนแข็งเห็นไหมเราจะไปนั่งสมาธิยังไงจะทำอาหารกินยังไงบ้านเรามันพร้อพร้อมทุกอย่างคือมีเห็นบมดม า, มาว่าทุกทางหลายแหละที่บนโลกวันี้บ้านเราไม่เห็นหหอะไรพร้อมหมดอ่ะ เพียงแต่ว่าเราจะเห็นพวกนี้ด้วยปัญญาหรือไม่มันอยู่ในกันปฏิบัติของพวกเราว่าเราจะเห็นพวกนี้ด้วยสติปัญญาหรือไม่อันนั้นคือเป้าหมายไปเหราก็ทําไปเล่นๆดวงหัวไปจบๆวันๆนนเดือนๆไป ม, มันไม่ใช่อะอันนี้นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราเหมือนข้าวอาจารยา์การปฏิบัติทำจนถึง ระดับใดระดับหนึ่ขั้นใดขั้นหแล้วสภาวะสภาวะของจิตท่านจะเร็วเร็วทุกเรื่องในที่เป็นนิมิตมันเร็วทุกเรื่องนิมิตก็คือเป็นรูปก็มีเป็นเสียงก็มีเป็นกลิ่นก็มีจิตท่านจะเร็วทุกเรื่องเร็วมาคํำว่าเร็วไม่ได้ว่าติดนะแต่เกิดขึ้นเร็วก็เร็วดับเร็วรู้เร็วดับเร็วจะไม่ปล่อยวางคาลาคาสัง มันจิตมันจะเร็วเร็วขึ้นคผลผลของมันจิตมันจะเร็วเร็วขึ้นคือรู้เร็วรู้กันเกิดขึ้นของกันที่อยู่ระ ด, ดับไปผมไงคือเห็นการเกิดดับก็เกิดแล้วต้องดับกันทีให้มันหยุดกันทีต่อไม่ได้บอกยุดยรู้พอยาหรือพอนะะครูบาอาจารย์นะบอกยาือให้หยุดนะยาอย่าไปต่ออย่าไปคิดจะ่าไปพุ้นจะไปทําต่อ พระธรมญาทันทีแต่ถ้าเราคิดได้เนี่ยด้วยตนเองกระบวนการนีนเ้เกิดขึ้นกับจิตของเราตนเองนั่นคือผลของการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่งังไงพอเรามีกระทบหรือปัสสาวขึ้นวสัสดุกตามตุกกตามดิเป็นเวทนามันจะรู้แล้วมันก็จะวางทีต่อไปก็มีศักแต่รู้ก็จะมีแต่ผู้รู้ผู้ถูกรู้ นันคือตัวรู้ผู้รู้อีกคนหนึ่งตัวที่ถูกรู้อีกตัวหนึ่งอาจารย์สกันคือเป็นผู้รู้คือถ้าคุณรู้เราคุณต้องวางความหมายคุณต้องวางอารมณ์นั้นได้นั่นคือผู้รู้ส่วนผู้ถูกรู้อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นผลทําให้เราเกิดสติปัญญาเดี๋วผู้ถูกรู้ะผู้รู้ต้องก็เกิดจากาเรานั้นเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกมัน รู้ตัวอยู่เสมออยู่บ่อยอยู่นานๆรู้ตัวนะจนกลายเป็นตัวรู้จนกลายเป็นเราจะกลายเป็นผู้รู้อะไคำผู้รู้เจริญกระวางนะซึ่งต่าง ก, กับถูกรู้วิสิทธิ์ที่ถูกรู้ขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะเราจะเลือกเป็นผู้ถูกรู้หรือเปล่าหรือจะเป็นผู้รู้ เราจะเลือกเป็นอะไรอืมปรหิเป็นุรหิก็ต้องเริ่มต้นจากให้เรารู้ตัวเยอะๆรู้ตัวบ่อยๆจนเกิดตัวรู้มันกลับรู้ตัวคือรู้ตัวเราเนรู้ตัวเรารู้สังขารถ้าเสียกันหน้าอะรู้ตัวคำว่ารู้ตัวจนกลายเป็นเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวนั้นนะต่อจะพึงได้ตัวรู้ก็มาจะมากลายเป็นผู้รู้ก็จะอะไรรู้ก็จะวางได้ตรงนี้ อะไรทุกอย่างให้มันกระบวนการขั้นตอนผ่านกันตัวรู้กันเป็นตัวรู้รู้ตัวแล้วตัวรู้กลายเป็นผู้รู้ขึ้นมามันก็จะวางสิ่งเหล่านั้นได้ตามปกติความป็นชาติเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเหมือนลูกปู่สอนลูกป้าห็นมันไม่ด้หนักมันไม่ด้เบาเหยมันพอเราประยุ่งกับมันมันจ่รู้มันหนักกับเบาแต่ยิงมาตัวมันไม่ได้หนักไม่ได้เบาอะไเลยคือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเป็นอย่างี้แต่ถ้าวันนะ เราเกี่ยวไปหมดพราะเกี่ยวมันก็ติดพรติดก็วางไม่ได้เองมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสภาวะจิตมันเป็นอย่างนี้ พ, พอเราไปไปเกี่ยวไปเกาะไปกวาดเป็นของเองเป็นของเราเป็นของเขาไปหมดของโลกนี้ไม่มีจริงจริงมันของโลกนี้แหละไม่มีเใครของใครไม่มีใครเป็นสมบัติพระนัทธธรรมไม่เอาก็ไม่เห็นหรือเรา เพราะสมบัติมันถ้าใครไปหยิบออกก็เป็นของคนนั้นแหละใครไม่หยิบก็เป็นของเราเมันก็เห็นแต่ใครไปรยกมันก็จะรู้ว่ามันหนักมันเบาแต่ประเด็นคือรู้ว่ามันหนัก ร, รู้แล้วไม่ว่างเขายังถืออยู่นั่นแหละอาณาคือปัญหาครับผมปฏิบัติแต่ครูอาจารย์บางที่บอกเอออย่าไปจับมนันนะอย่าไปยุ่งอย่าไปถือนะอเออครับลองถือไปแล้ววางเนอะ หน้าที่ของครูบาอาจารย์บอกแล้วเราเราไม่วางอ่ะวางไม่ได้จะไปโทษครบาอาจารย์สอนไม่ดีไม่ได้อืเนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันสนุกมันก็จะเพลินลังไปชั่วโมงสองชั่วโมงแปบเดียวก็เฉียงหลังส่วนเวทนาพอรู้มาเอิญอันนคือเวทนาเดี๋ยวถ้าเราไม่อยู่กับมันเดี๋ยมันก็ไปเองเดี๋ยมันก็เกิดขึ้นมาอีกมันเกิดดับเกิดดับเพรมัน และแต่คนบางคน20นาที30นาที40นาทีมาครั้งหนึ่งไม่เหมือนกันพอมาทีก็โอ้โหก็ดูงแทบแตกหัวเข่าแทบแตกเลยเวทนาทีแต่ถ้าคนภาวนาได้ภาวนาเป็นในช่วงไหนนั้นท่านก็ท่านก็พักคือไม่เอาจิตไปจับขอบของคนนี้ไมจ่จะออกข้างนอกท่านก็อยู่ได้ของท่านมันก็ทําหน้าที่ของมันเวทนาก็เป็นเวทนาของมันก็สุขทุกข์ของมันแต่ว่าจิตมันไม่รับรู้ มันก็ไม่ได้มีผลเลยเพราะงการปฏิมาเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยมันจะไม่เบื่อไม่มีอะไรน่าเบื่อมันก็จะเพื่อนไปเรื่อยแต่พอเจิตถอนออกมาปุ๊บมันรับรู้ข้างนอกเย็นดอนอ่อนแข็งหนาวตอนมันก็ธรรมชาติมันก็เป็นข้ามัน่ะเหงื่อมันก็ออกปกติข้ามันแต่ในขณะจิตที่ไปอยู่ข้างในมันไม่รู้มันไม่รับรู้สิ่งนี้เพราะนั้นหลวเพ่อทีว่า ตั้งแต่ต้นเลยว่าเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะให้เรารับรู้มันตั้งอยู่คือมันปรากฏตัวให้พิ่เจรนาให้พิจารณาต้องใช้กับพิ่เจรนาแล้วมันก็จะไปของมันเองก็อยู่ของมันเองเหมือนตอนนี้เออดารู้ว่าเอกลางวันเกิดขึ้นดารู้ตั้งอยู่พิ่เจรณาตอนนี้กลางคืนเราจะไปทุกข์กับมันทํำไมเพราะเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามขั้นตอนของมันเออ สุขท like so ุกข์ก็จะเป็นอย่างนี้อืมเอออันนี้สุขอันนี้ทุกข์เขาก็เป็นไปตามขั้นตอนทางวางรองเขานะแต่เราไม่ไปยุต์กับเขาสุดท้ายมาถึงเวลาหนึ่งเขาก็อยู่เขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจิตมันก็เป็นอิสระเพราะมันเข้าใจเพราะมันวางอารมณ์ชนิดใดนี้ความหมายในการปฏิบัติไปนั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นหาวิธีอะไรก็ได้ให้สติอยู่กับตัวต้องกระแทกรู้ตัวละความหมาย วิธีใดก็แล้วแต่มันไม่มีผิดไม่ถูกมันไม่มีดีไม่มีชั่วเขาทำความดีอย่าะเงี้ไม่ใช่ว่าอันนั้นดีกว่าเนี่ยไม่มีวิธไหนก็ได้ที่สุจริตใส่จะไปติดดีถ้าติดดีติดไน่าคือติดดีนะมันติดตั้งแต่ที่แรกแล้วเริ่มต้นมันก็ติดแล้วแต่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ตัวนั่นแหละเข้ามาไม่รู้ตัวเพราะไม่มีตัวรู้ดูบอก มันมัวหะมันบังก็มาวนถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเพลินดูเพลินในธรรมเราจะเข้าใจเรื่องอดเรื่องธรรมเรื่องธรรมชาติความเป็นอยู่เราจะเข้าใจธรรมชาติสุดท้ายเราก็เป็นหนึ่งกับธรรมชาติเพื่อนหนึ่งกับความเป็นจริงทื่องเป็นอยู่เขานั่นแึละคือต่างพระเจ้าท่านบอกธรรมชาติคือธรรมชาติเกิดเองเป็นเองนี่คือสิ่งที่พูะเจ้าเข้าใจแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่ น, นี้ตลอดเวลาแปดสิบปี ท่านก็อยู่อย่างท่านี้ท่านจะไม่อยู่ในสภาวะเมือนต่ายกับพวกเราเพราะนั้นเป้าหมายปลายทางการปฏิบัติธรรมของพวกเราคือให้ยึดเอาผู้ที่เจ้านะให้ยึดเอาผู้ว่าจารย์ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบส่วนที่ปฏิบัติไม่ดีก็จะอย่าไปยึดอย่าไปติดมาของเน่าของเสียไปเอาวันที่ทําไม่มาของไม่ดีก็เขาก็รับผิชอบเข้าไปรับผิชอบ ความคิดกับพูดการถับเราเข้าไปแต่ถ้าไปยุ่งเขาเราในส่วนเกี่ยวกับข้องมองหมองเข้าไปด้วยคือไม่เกี่ยวกันเลยเลยเห็นไหมเป็นงูพิษเราจะไปยุ่งกับมันน่ะมันงูพิษก็อยู่ที่มันอ่ะอันนี้คืองูพิษอ่ะจม่เนไม่มีพิษไม่ได้เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเวลาไปยุ่งกับมันะเอาพิษมาสู่ร่างกายเมืาแล้วท่านเราถึงเดือดร้อนเอย่าไปเดือดร้อนกับคนอื่น ในภาษาการเนนระมัดระวังเรียกว่าสัมรวมระมัดระวังกายใจใจของทุกเองให้ด้วยกันน้อความธรรมัคิดไม่ดีพูดไม่นึก่ีถึงพระเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ไม่หัวาจน้อยเป็นรักอื่นๆก็ทําไม่ได้นึกถึมันนะเขาคนที่ไม่ดีตัวอย่างเนี้เลยว่าโอสบายละภาษาเนี่ยสบายใจเนี่ก็นี่ก็คืออันนี้สองน้องวันนี้เราเราเหมือนเราให้เรา ถือว่าเป็นการเล่าการฟังจะได้นำไปสูกก่การปฏิบัติคือโอปนัยโกน้อมก็หาคือเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้ในยุทธการใช้ได้ทุกเรื่องขออนุโมทนาความดีที่เราทุกคนที่ในภาษาการนี้ถือว่าพวกเราปฏถือว่าช่วยกันธนุบารงจันโลงแล้วก็ที่สำคัญคือการเจรอยรอยตามยุคโหรบาท ของพระพุทธเจ้าของบัตรเงินเจ้าอยู่ถึง เ, เป็นที่เคารพยั่งยืงจริงของพวกเรานากนังก่าพระแม่คุบัญญัติไปหมดให้กำลังใจของพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านเรนาเนี่คุณชิโอวนาจิโก้คือนึกคือน้องก็หาตัวเองส่วนอื่นๆแค่เพนึกถึงเลยมือมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเอาแค่นั้นก็พอแล้วเราเชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ขอรรมธนานอขออนุสงฆ์แห่งการปฏิบัติธรรมกำสินภานาในภาษาการนี้คดีที่บันมาก็ดูเป็นพละพระปัจจัยหนุนส่งจิตใจของเราให้สูงดีขึ้นและจงเป็นผลแก่ญาติที่น้องก็มีอุปการะทนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทามันเป็นทุกครั้ง แต่ในวันนี้ด้วยกันทุกท่านเติน